ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระนามการเทริดทูนส่งเสริมจากบรรดาศัตว์นั้นว่ามหาการุมีโกนาโถหิตายะสัพ ป, ปานานังเป็นต้นมันมีเป็นผู้มีพระมหากรรนาที่ขุนอันยิ่งใหญ่แก่มวลสัตว์ นี้ออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บรรดาที่เคยได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกันตะโลกันตะวัดคือวัดตะวันที่เต็มไปด้วยความมืดบอด จากสิ่งปกคลุมอันหนาแน่นทั้งหลายคือกิเลสทุกปรกเภสพระองค์ทรงผ่านพ้นจากนี้ไปได้ความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งมืดบอดสิ่งมืดดำทั้งหลายปกปิดกำบัง พระองค์ได้เห็นโทษเต็มพระไทยเมื่อได้แหบวบว่าจากสิ่งนี้ออกไปเป็นลำดับลาดับจนในหลุดได้หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วทรงเห็นโทษอย่างเต็มพระไทยและเห็นคุณค่าแห่งธรรมแดนแห่งความบุดพ้นเต็มพระไทยเช่นเดียวกัน เมื่อโทษกับคุณก็ได้เห็นเต็มพระไถยแล้วการมองดูสับประศัตธ์ที่เหมือนนักโทษในเรือนจำจึงทำให้เกิดความเมตตาสงสารอย่างมากประทับ พ, พระไถยถึงกับจะยิ่งนอนอยู่โดยลำพังพระองค์ไม่ได้นับตั้งแต่วันตรัสจรู้ที่แลก รงเลงยานดูสัตวโลกทันทีที่พระจักสุญานแจ้งสว่างสมควรแก่การที่จะสอดสองมองดูสัตว์โลกได้แล้วพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเพราะความทุกนี้เป็นสิ่งที่แน่นหนาให้ทุกข์มากทรมานมานาน ในบรรดาสัตว์ไม่เว้นแต่ละลายที่อยู่ในแหล่งแห่งใจภพนี้เพราะแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ควบคุมของกิเลสซึ่งเป็นมหาอำนาจทำให้สัตว์โลกมืดมิดปิดตาไปหมดโทษทั้งมวลที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาปิดขึ้นมา มีความปิดบังสัตว์โลกไว้ไปพร้อมๆกันไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์ทั้งหลายไม่เห็นโทษแห่งการดิ้นรนกวดแกงที่เป็นแปมนวดไปตามนาจแห่งกิเลสทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือไม่เห็นโทษทั้งเหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนกระวนกระวายเพราะ กิเลส อ, อันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นบังคับบังชาขักไสให้ทำให้คิดให้พูดให้กระเกียบตะกายทั้งผลคือความทุกข์ความลำบากมากน้อยก็ไม่ให้มองเห็นโทษไม่มีไม่มีคำว่ากิเลสได้เปิดช่องเปิดทาง ให้สัตว์โลกได้เล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนนอกจากปิดบังหุ่มห่อไว้โดยลำดับทุกฉากทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปทิยาแห่งความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่จิตออกมาถึงกายวาจาใจเป็นสำคัญมีแต่ทางปิดปกปิดกำบังไว้ตลอด ตามปกปิดกำบังนั้นก็เต็มไปด้วยเพลงกล่องให้สัตว์โลกได้หลงเคิมไปตามก็มให้สัตว์โลกมืดบอดมองไม่เห็นคิศทางก็มีคาว่ากิเลสจึงไม่ปรากฏแม่นิดหนึ่งในคุณค่าของมันที่จะเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกได้อยู่ตามสบายหายห่วง แม่ชั่วระยะหนึ่งนอกจากมันตีตะปูให้ติดแนบไว้อย่างลึกลับเท่านั้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถผุดโผล่ขึ้นมาจากความมืดดำทั้งหลาย แล้วได้มองดูความมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระไทยที่บริสุทธิ์อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้เลยในโลกทั้งสามเพราะเป็นโลกุตละธรรมเป็นธรรมเหนือโลกนี่แหละที่ว่ามหาการุณีโคนาโถพระองค์จึงไม่ทรงสั่งสอนโลก โดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ทรงสั่งสอนช่วยเหลือด้วยพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาอย่างแท้จริงทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจึงเป็นไปด้วยพระเมตตาอันเป็นศาสดาที่จะยึดถือเป็นคติไดาจากพระองค์ทั้งสิน้นคำว่าศาสดาสั่งสอนโลกนั้น เอ็นได้ทุกอาการที่เคลื่อนไหวไนเพียงแต่ประธานพระว่าตัางสอนตัดโลกแล้วเรียกว่าศาสดาผู้แนะนาแต่ภาการทุกส่วนที่ทรงเคลื่อนไหวการอยู่การไปกันมาการหลับนอนรับถ่ายจะไม่นอกเหนือไปจากความเป็นศาสดานั่นเลย เป็นศาสดาเต็มภูมทุกพระอาการกิริยาของโลกที่เคยนำมาใช้แต่ก่อนทรงสลัดปัดทิ้งหมดจินเรียกว่าละได้ทั้งนิสัยวาสนามีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสาวกทั้งหลายยังมีกิริยาท่าทางของโลกที่เคยเป็นนิสัยติดมาละไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นโพดเป็นกรรมอะไร น, นาศาสตราของพวกเราได้ทุ่มเทพระกำลังความสามารถลงอย่างเต็มที่นับตั้งแต่ทรงปราถนาพระโภธิญาณมาโดยลำดับจนวาราสุดท้ายได้เสด็จออกทรงผนวดบำเพ็ญพรท หือรือถอนกิเลสปัญหาความมืดบอดอยู่ภายในพระไทยให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วนำความสว่างกระจ่างแจ้งคือธรรมนี้ไปสั่งสอนสันโลกจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกับฟ้าดินท่าลงพระไทยจะหลุดลอยออกจากพระกายเพราะความหวั่นไหว ความทรัพยงไปหมดศิลยาที่ทรงบําเพ็ญก็ไม่มีอาการใดที่จะทำด้วยความท้อถอยย่อหย่อนทำเต็มพระสติกำลังความสามารถทุกพระอาการทุกประโยคพยายามแม้ประโยคที่ไม่สำเร็จผลอันใดเช่นการ ทรมานพระองค์โดยวิธีการต่างๆนั่นก็เป็นไปด้วยความภาคเพียรอย่างแท้จริงวรนจะนำมาเป็นคติได้สำหรับเราผู้จะยึดว่าพุทธทางสังกัษฐานถือพระพระองค์เป็นาศาสดาเป็นเสนะเป็นที่ยึดของใจทั้งเป็นปฏิปทาเครื่องดาเหนื่อยยังไม่มีอะไรบกกร่องาศาสดาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษ เห็นได้จริงๆละสิ่งที่เป็นภัยภายในพระไทยละได้จริงๆตัดวัตจักรวัตจิบสิ่งที่พาให้หมุนเยียนเกิดแก่เจ็บ ต, ตายอยู่ในโลกสงสารพระองรงถอดถอนและสงละตัดขาดได้จริงๆเป็นศาสดาได้อย่างเต็มภูมิการสั่งสอนจัดโลกจึงไม่มีแขนงใดที่จะ ให้เกิดข้อข้องใจ ส, สงสัยสำหรับพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงต่อสัตว์โลกเราทั้งหลายเป็นเพียงล้างมือเปล่าจากพระว่าที่ทรงสั่งสอนแล้วเท่านั้นจึงควรเห็นพระไทยพระพุทธเจ้าที่หน้าสงสารยิ่งนะักในการตะเกียกตะกายทุกทุกประโยคพยายามการที่เราจะตะเกียกตะกายพยายาม ดำเนินตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องนักหนาเหมือนพระพุทธเจา้าผู้ทรงนำสัตว์โลกเป็นพระองค์แรกครูอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนก็มีแบบแผนตำลับตำลาก็มีมีพร้อมแล้วมีแต่การลงมือกระทาเท่านั้นความรู้สึกของนักบวช เรากับความรู้สึกของชาวพุทธทั่วๆไปและโลกทั่วๆไปนั้นถ้าพูดตามหลักธรรมหรือหลักความจริงแล้วต่างกันอยู่มากต้องต่างกันอย่างมากมายเพราะผู้นี้บวชมาเพื่อเห็นไถ่เพื่อจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นปืนเป็นใสภายใ น, ในใจิตใจ ไฟที่ฝังพิมฝังจมอยู่ภายในใจนี้ไม่เหมือนไฟทั้งหลายภายนอกแต่เป็นไฟที่สมอยู่ภายในจิตใ จ, จตลอดถ้าไม่มีวิธีการหรือไม่มีอุบายไม่มีแนวทางเป็นเครื่องดับไฟนี้จะไม่ดับได้ตลอดกลับกันและไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป จึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆ ต, ตามหลักธรรมที่ท่านได้ผลมาแล้วและชี้แจงไว้แล้วโดยถูกต้องนำมาประพฤติปฏิบัติการมาปฏิบัติตนเองในความเป็นนัก บ, บวชเช่นนี้จึงเป็นเหมือนกับเข้าสู่สงครามแบบตะลุมบอลจะมานอนใจ เอานิสัยของกิเลสจากคารวาะมาใช้ไม่เป็นผลนอกจากจะเป็นการมาเพิ่มกิเลสให้หนาแน่นขึ้นภ า, ายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของนักรบแห่งนักบวชของเรายิ่งต้องใช้ความพยายามในยาบททั้งสี่ให้ถือว่าอยู่ในวงล้อมของกิเลสทั้งหมด การพิจารณาแก้ไขถอดถอนจึงเป็นการต่อสู้เป็นการแบบว่าที่จะหาที่เล็ดลอดออกไปจากกิเรกประเภทต่างๆ ต, ตามกําลังความสามารถหรือเต็มกําลังความสามารถของตนแต่ละรายละหลา ย, ลลายอย่าได้นอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความภาคภูมิใจตลอดไปได้ในโลกอันนี้ไม่ว่าวัตถุไม่ว่าอารมณ์มันเป็น เยื่อล้อของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เป็นโอชารสที่ควรจะติดจะพันจะเครือบเคลิ่หลงไหลไปตามนอกจากรสแห่งธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่แน่ใจต่อผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะยรับความสงบเย็นใจไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตหลุดพ้นไปโดยสิน้นเชิง มีตั้งแต่ทรรมที่ไว้ใจได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่ไว้ใจตายใจได้โดยลำดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกลมายาของจิเลศที่มาหลอกดวงสัตว์โลก กปฏิบัติตนต้องใช้สติปัญญาพลิกแแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยานอนใจสี่เลดเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าความรู้ธรรมลดาเราจะทันมันจะรู้เข้ากลนของมันจึงต้องฝึกสติฝึกปัญญาที่พอจะตามทันได้ และตามทันทั้งพร้อมทั้งการแก้ไขถอดถอนได้เป็นลนดับจากความเพียนพยายามของเราซึ่งอยู่ในแนวรบหรืออยู่ในวงลอง้อมอย่าได้นอนใจไม่มีสิ่งใดเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วในโลกนี้หากเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจได้แล้วพระพุทธ เ, ทเจ้าศาสตราองค์เอกก็ไม่สั่งสอนให้ละให้ปล่อยให้วาง ให้หลุดพ้นไปจากอันนี้เสียซึ่งเป็นกองทุกในความเป็นแห่งธรรมใครเกิดมาก็เห็นอันนี้ก็ได้ยินสิ่งนั้นเหมือนๆกันหมดมีอะไรเป็นเครื่องส่งเสริมให้รับความสุขความเจริญและหลุดพ้นไปได้ไม่มี นอกจากเป็นสิ่งเกีียรกรองจิตใจให้ฝังจมอยู่ภายในนี้และนอนจมอยู่ในวัฏฏะวนนี้ไม่มีเวลาเล็ดลอดออกไปได้นอกจากการปฏิบัติธรรมและคำว่าความมืดบอดนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าเป็นดินฟ้าอากาศพระทิพพระจัง พาให้มืดบอดหรือพาให้สว่างแต่เพิ่งทราบว่าความมืดบอดทั้งมวล น, นี้คือกิเลสเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจไว้อย่างแนบสนิท ต, ติดจมจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นจิตมันคุกค้ากันเป็นอันเดียวกันในเวลาที่มันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรแยกได้คำว่าความสว่างก็คือสติปัญญา ที่เรียกว่าธรรมที่จะสามารถรู้เท่าทันและสอดส่องมองเห็นทั้งโทษและคุณภายในดวงใจที่เคยมืดบอดมานี้ให้กลายเป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นมาการเวียน่ายตาเกิดในวัาตาสงสารนี้พอตัวทุกรายพอตัวทุกคน ไม่มีใครยิ่งย่อนกว่าใครพอที่จะามาแข่งขันกันได้ว่าเป็นของดีของวิเศษเลือดโลกอันใดความเกิดความตายเป็นเรื่องของทุกทั้งหมดไม่ใช่ของดีพอที่อยากเกิดก่อนที่จะหลุดหรือและดลอดออกมาจากช่องแทบคือท้องของแม่ก็สลบสลายไปแล้วออกมาแล้วแทนที่จะรับความสะดวกสบายก็ทนทุกข์ทรมานหนักด้วย ธาตุเบืขันความเย็นร้อนอ่อนแข็งความหิวความกระหายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆย่ายีบีทาไปตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไปไม่รอดจริงๆก็ตายล้วนได้ตั้งแต่กองทุกข์ที่วางสายยาวเหยียดกันไปตั้งแต่เริ่มเคราะหจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือหมดลมหายใจที่เรียกว่าตายมีตรงไหนที่เด่นชัดว่าได้รับความสุขความสบายนอกจากเด่นชัดด้วยความทุกข์ มากน้อยไปโดยลำดับกำดาเป็นสายยาวเหยียดถึงวาระสุดท้ายเท่านั้นพอที่จะติดจับพันพอที่จะเครือบเคลิ้มลงไหลไปกับเรื่องความเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี้ที่กล่าวมานี้เป็นผลของกิเลสที่ เป็นตัวแนบแน่นละเอียดแหลมคมที่สุดฝังอยู่ภายในกิตให้เป็นเชื้อทาให้เกิดการแก้จึงแก้ลงที่นั่นไม่แก้ที่อื่นผู้ยังไม่เคยสงบก็พยายามทำใจของตนให้สงบด้วยบทธรรมใดก็าตามที่เห็นว่าถูกตินเห็นบริกรรมพุทโธธรรมอสังโฆ หรืออัติทันตาอะไรก็แล้วแต่ผมผลเรียบันหนังเหล่านี้เป็นคําบริกรรมได้ทั้งนั้นแล้วมีลมหายใจเป็นสาคัญสำนัดกําหนดให้รู้จําเพาะวงปัจจุบันเช่นการกําหนดบริกรรมคําใดก็าตามให้รู้อยู่กับคําบริกรรมนั่นเท่านั้นไม่ต้องไปวาดภาพขอปราสาทวิมานที่ไหน นอกจากเหตุที่ทำถูกต้องอยู่ในขณะนั้นเท่านั้ น, านการกำหนดลมก็ให้รู้อยู่ที่ลมลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้รู้อยู่กับลมเท่านั้นให้ความรู้นั้นจดจ่ออยู่กับลมไม่ต้องเกรงตัวให้มากบังคับให้มากอะไรนักหนาเป็นแต่เพียงมาทำความรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องประคาบอดีตอนาคต ให้นอกไปจากโครงปัจจุบันคือกําหนดให้รู้ลมอยู่โดยลําดับลําดาเท่านั้นลมนั้นแลเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเวลาจะตั้งรากตั้งฐานทีแลหลกจิตหาที่ยึดไม่ได้จึงต้องอาศัยทําเป็นเครื่องยึดที่เรียวกว่า บ, บริกรรมบริกรรมบทใดทําบทใดก็ให้อยู่กับทําบทนั้นให้รู้อยู่กับทําบทนั้น ผู้กำหนดอนาปานัสติก็ให้รู้อยู่กับลมนั่นเป็นเครื่องยึดของใจใจเมื่อมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับเครื่องยึดนั้นแล้วจะตะล่มตัวเข้ามาสู่ความสงบลมผู้กำหนดลมลมก็จะละเอียดลงไปลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียดใจค่อยสงบตัวเข้ามาจนละเอียดสุด ถึงเวลาสุดท้ายลมได้หายไปเลยต่อหน้าต่อตาทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าลมหยาบลมละเอียดละเอียดสุดแล้วหายเงียบไปเลยก็มีแต่อย่างไรก็ตามแม้ลมหายเงียบไปก็อย่าวิตกวิจารนี่สาหรับการภาวนากลัวตาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวความรู้ที่รู้ว่าลมหายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนความรู้นั่นแลเป็นผู้ครองร่างอยู่นี้ จะไม่ตายเราไม่ได้ภาวนาเอาลมเป็นแต่เพียง ว, ว่ายึดลมเป็นหลักในขณะที่จิตยังเป็นตัวของตัวยึดตัวเองเป็นหลักของตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลมลมละเอียดลงไปก็แสดงว่าจิตนี้ละเอียดพอที่จะพึ่งตนเองได้แล้วตามลําดับลําดาจนกระทั่งถึงลมหายใจนั้นได้หายไปเลยความรู้นั้นไม่หายอยู่กับความรู้ ที่ไม่หายนั้นไม่ต้องไปกังวลกับลมจิตจะเข้าสู่ความละเอียดแนบแนบแล ะ, ะแสดงความแปลกประหลาดปัจจัยขึ้นมาให้เจ้าตัวรู้นี่คือการเริ่มแรกแห่งการภาวนายาได้วิตกวิการกับลมว่าหายไปแล้วตนจะตายไม่ตายวิธีการของการภาวนาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของการฆ่าตน เนนิสัการของเภาการภาวนาเบื้องต้นจะมีความอึดอัดบ้างสําหรับผู้เจริญอนาปานาาสติอึดอัดก็ให้รู้อึด อ, อัดอย่าปล่อยลงัจะอึดอัดไปไหนก็ให้รู้ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ให้รู้เพราะเร า, มาไม่เด็ดภาวนาเพื่อฆ่าตัวเองนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงให้ถอยหน้าถอยหลังเกิดความสงสัยแล้วปล่อยวางการภาวนาหยุดไปเสียนั่นคือกิเลสทํางานได้ผลแล้ว เวลาจะทําก็กลัวแต่จะล้มจะตายทั้งๆ ท, ที่ความล้มความตายมันไม่ได้มีในการภาวนากิเลสมืันก็หลอกเข้ามาจนได้นี่ก็คนมายาของกิเลสประเภทนีน้ให้พึงทราบเอาไว้ด้วยกันในหลักของสมาธิของสมถะสอนให้ทราบผู้ที่บวชใหม่ก็มีมาประพฤติปฏิบัติใหม่ก็มีหม่กับเ ก, าก่าก็อันเดียวกันนี่แหละอย่าเข้าใจว่าตนใหม่ตนกลับ มันจะเป็นเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมาถ้าเก่าก็ให้ชำนิชำนานเลยในเรื่องเหลนี้ถ้าไม่ชำนิชำนาญมันก็กาไก่คอกายอยู่นั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพียงคําบริกรรมไม่ได้เรื่องเลยหรอจะเอาผลประโยชน์มาจากที่ไหนฝึกให้ดีทาให้จริงให้จังผูกําหนด หรือบริกรรมทำบทใดก็ให้อยู่กับทำบทนั้นให้รู้อยู่จำเพาะยาคาดผลที่จะเกิดขึ้นแสดงอาการอย่างไรบ้างยาไปคาดจะเผีอจากหลักปัจจุบันแล้วผลจะไม่เกิดขึ้นให้ได้ชมนี่หลักของการภาวนาสำคัญอยู่ที่หลักปัจจุบันการไม่คาดหม่หมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นความถูกต้องดีงามสำหรับผู้ปฏิบัติจะต้อง ปรากฏผลเป็นที่แน่ใจวันใดวาระหนึ่งจนได้ไม่สงสัยการปฏิบัติใดงานใดก็ตามไม่ได้ยากเหมือนการปฏิบัติธรรมเพราะีิเลสเป็นผู้แย่งผู้ขีง ผ, ผู้กีดพิษผู้ผู้ขีดผู้ขวางผู้คอยทำลายผลงานของตัวเองและางานของตัวเองงานนี้จึงเป็นเหมือนกับว่ายาก เพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสหลอกว่ายากแล้กิเลสต่อสู้กิเลสขัดขวางแต่เราก็ไปทิ้งให้ทำเดี๋ยว่าการบําเพ็ญทำนั้นยากความจริงกิเลสมันหลอกทําให้ยากกิเลสพาให้ยากตัางหากทำไม่ได้พาให้ยากให้พากันเข้าใจจุดนี้ไว้ให้ดีนักปฏิบัติความทอแท้อ่อนแอเหลวไหลล้วนแล้วต้งแต่เป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งหมวล อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมเวลานี้เราส่อแสวงหาธรรมต้องมีจินมีจังมีสติสตังมีความภาคความเพียรมีความอุตสาห์พยายามนี่คือเรื่องของธรรมเรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตามที่จะมาทําลายมาขีดมาขวางความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งความอดทนให้ด้อยและขาดไปนี่ด้วนแน่แต่เป็นเรื่องของกิเลสคือตัวมารทั้งนั้นมาคอยทําลายมาคอยขีดขวางทางดําเนินของเรา หรือคอยกีดขวางธรรมของเราให้ด้อยและขาดไปนี่นี่แหละเรื่องความละเอียดของกเกศให้พากันจำเอาไว้เอาให้เหนือกิเลสไปโดยลําดับแล้วจะทราบกลมมายาของมันทุกแง่ทุก ม, มุมทั้งยากทั้งกลางทั้งละเอียดและละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้ได้เพราะกิเลสไม่เนื้อธรรมเมื่อได้นำธรรมมาใชา้นํามาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสแล้วจะไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในใจและ ขาฐานต่อสู้กับกับทําได้เลยพระพุทธเจ้าชนะกิเลกก็เพราะธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญที่แพ้ก็เพราะไม่มีธรรมเหล่านี้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายถ่ายเดียวมักผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยู่ก็เข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันกีดมันขวางมันกดขี่บังคับปิดประตูไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้านทุกขา ทําไม่ได้เดินจงกรมก็มันกระลากจิตลากสติไปหนีไปที่อื่นจะลากจิตเข้าป่าเข้าโรคไปหมดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรถเครื่องหลอ ก, ล ว, ก, ล, วกลวงของมันมีเยอะทางรูปก็เต็มโลกกระถางเสียงก็เต็มโลกกระถางกลิ่นรถเครื่องสัมผัสด้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของกิเลสที่มันตักเสียบไว้ทั้งนั้นเป็นเหยื่อรอบปลาไว้หมดแต่เราไม่ทราบ เพราะอุบายของมันแลลมขมมากอุบายของเราไม่ทันกระดิกออกไปตรงไหนมีแต่กิเลสลุมล้อมอมไม่มีทำเป็นเครื่องรักษาตัวบ้างเลยจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบขายไม่ได้หาความเฉดเดียวฉลาดที่จะแก้กิเลสไม่ได้มีแต่กิเลสถูกเอามัดเอามัดอับแม้เดินจงกรมอยู่ก็ถู ก, ถก ม, มัดแขนมัดขามัดหูมัดตาไว้หมด นั่งสมาธิก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ปีนีพิจารณาทำของจริงซึ่งมีอยู่กับใจนั่นแหละหมายว่าความเพียรอาการใดมีแต่กิเลสเข้าทํางานแทนเสียสิ้นแล้วก็มาทวงผลว่าทำไมไม่เห็นเกิดผลอะไรจะเกิดผลอะไรเหตุก็กิเลสเอาไปกินหมดแล้วคือนพาส่งพาสายพาแสบไปหมดหาอารมณ์ต่างๆตาไม่เห็นมันก็เป็นธรรมารมณ์ ในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วเอามาพุ้นมากคิดมาอุ่นอยู่นั้นไม่เคยมีว่าอันใดเป็นของเก่าล้าสมัยไปแล้วเคยคิดมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวกี่ร้อยกี่พันครั้งทีเลตไม่้ถือว่าเป็นของเด่นเลยเป็นของใหม่เอี่มทั้งนั้นให้ติดอยู่ตลอดเวลาเหน่ยเครื่องหลอกลวงของมันลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้นจิตเราจึงไม่ทราบจึงต้องติดสิ่ง ของเก่าที่เคยคิดมาแล้วอตีตารมณ์คืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็ น, เ ป, นเป็นเดนไปไม่ต้องคิดซ้ำซ้ำซากซากเพราะสิ่งนี้เคยคิดแล้วสิ่งนี้เคยให้ทุกเรามาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ทําให้ติดพันไปหมดเป็นของใหม่เอี่ยมตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสต้องใหม่เอี่ยมทั้งนั้นลื่นไปเลย ถ้าเป็นทำแล้วมันขุกขักขุกขักก้าวไม่ออกเพราะรกิเลสดันเอาไว้กันเอาไว้กีดขวางเอาไว้ไม่ให้เป็นความสะดวกถ้าเป็นถนนก็มันตัดไม้มากั้นทางไว้หมดเป็นไปด้วยก้อนหินท่อนไม้รถก็วิ่งไม่ได้ติดนะนี่แหละเวลาเราจะดำเนินเพื่อความราบรื่น จึงต้องถูกพิเลศมันกีดมันขวางไว้ให้พึงทราบว่ากิเลศมันเป็นอย่างนั้นตลอดจึงต้องได้ใช้ความพยายามเต็มที่สิ่งที่พยายามต่อสู้ก็คือต่อสู้กับสิ่งที่เป็นค่าศึกที่มันมากีดขวางนั่นแหละไม่ใช่ทำมากีดขวางกิเลสต่างหากมากีดขวางกิเลสต่างหากทําให้ท้อแท้อ่อนแอกิเลสต่างหากทําให้ขี้เกียจขี้ค้านกิเลสต่างหากทําให้ท้อตอยอ่อนแอ และหยุดการงานที่จะเป็นประโยชน์นั้นไปเสียเพราะอานาจของกิเลสมันเหนืออํานาจของธรรมนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเราได้ทําความพยายามอยู่เสมอกิเลสมันก็ค่อยอ่อนกําลังลงไปได้สติไม่มีตั้งขึ้นให้มีปัญญามัมีพยายามค้นคิดให้มีทำสอนไว้แล้วทุกอย่าง สัจธรรมมีอยู่สมบูรณ์ภายในใจของเรานําสิ่งใดมาใชา้ได้ทั้งนั้นพยายาถ้าลงเห็นว่ากิเลสเป็นภัยแล้วไอ้เรื่องความเพียรมันจะจะมาเองทติปัญญาก็จะมามาพร้อมๆกันไอ้ที่ไม่เห็นกิเลสเป็นภัยเพราะกิเลสมันกล่องนั่นสิสําคัญเดินจงกลมก็บังคับกันไปแฉลบล้มแบตายบับงคับไปแล้วก็ให้กิเลสมันถลุงเอาหมดไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวเลยเป็น อาหารกิเลสทั้งหมดในญยบททั้งสี่แห่งการประกอบความภาคผ้าเปลี่ยนคือยืนเดินนั่งนอนทําภาวนากลายเป็นเรื่องพาวนไปหมดเป็นเรื่องของกิเลสไปเสมดแล้วทำจะแทรกขึ้นได้ที่ไหนนี่ เ, นเรื่องของกิเลสมันละเอียดขนาดนี้อ้าวถ้าเราอยากจะทรกกิเลสฟาดพันกันลงไปท้อถอยอ่อนแอได้อย่งไร การทอดถอนแรงแดไม่ไม่ใช่ทางของธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่เห็นธรรมไม่ใช่อุบายใช่เห็นธรรมไม่ใช่การดําเนินเพื่อความเป็นธรรมมันดําเนินหรือเดินไปตามกิเลสจูงจมูกต่างหากต้องขุดค้นขึ้นมาต่อสู้กันขิดไม่เคยสงบก็กจะสงบได้ปัญญาพยายามค้นคิดอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกนิ้วกายนํามาคิดพิจรารณาไตรตรองแยกหน้าแยกหลัง ย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาทบทวนให้ระสัด้วยส่วนตามเหตุตามผลสิ่งใดที่เคยสงสัยก็จะค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปด้วยอำนาจของปัญญานี่การพิจารณาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งถือสกุลกายเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายเพราะมันติดอันนี้มากกว่าเพื่อนส่วนอยู่ในใจนั้นยกไว้ก่อน อ, อันนี้มันปิดอยู่ชั้นหนึ่งพยายามคลี่คลายมันออไป รูกายนี้มีอะไรดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปตามความจริงนั่นแหละความจินล้วนๆก็ก็คือสิ่งปฏิกูลโสโครกมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้นี่ ค, ค, คือความจริงความว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงมันเอามาฉากมาทาไว้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่จินเป็นของปลอมแยกเข้าไปถึงเรื่องความแปรสภาพ มันแปรอยู่ตลอดเวลาที่ดูตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงป่านนี้เป็นยังไงตัวของเราแตกต่างแต่เป็นเด็กไหมเนี่ยแปลสภาพมาเรื่อยๆ อ, อย่างนี้หมดทั้งร่างนี้แปลสภาพทั้งนั้นแม้แต่กิตใจก็ยังแปลสภาพจะว่าอะไรตั้งแต่จะร่างกายเราแถวนี้อย่าพิจารณาเข้าไปพยายามดูให้เห็นตามความจริงฝืนกิเลสเข้าไป ตรงไหนมันว่างามเอาแยกตรงนั้นออกมาดูให้เห็นประจักษ์ตาเนี่ยมันงามที่ตรงไหนที่เลดทาไมมันถึงหลอกถึงลวงว่าสวยว่างามล่งางหนาอะไรมันงาดูให้ดีด้วยปัญญาของตงนเองขี้คลายดูหนังก็เห็นชัดๆยู่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนที่เมือขี้คลายก็เป็นขี้ทั้งนั้นเต็มอยู่ภายนอกแล้วยิ่งเข้าไปภายในแล้วถึงดูไม่ได้เลย เยิ่อไปด้วยบุโพโลูิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้ยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหรก็ยิ่งดูไม่ได้คนทั้งคนถ้าไม่มีหนังหุ่มห่อวันนี้ดูดูกันได้เมื่อไหร่จะมาดูได้ตั้งแต่พวกมแมลงวันตอมหึงหึงเท่านั้นแหละแมลงวันมันชอบมีจิตทั้งเรามันเป็นมแมลงวนันมันเที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิคูนโสโคกโสกโปกเพราะกลุ่มหลังนั่นแหละว่าเป็นของสวยของงามันก็ไม่ผิดอะไรกับมแมลงวนันจิตของกุติชนเรามันชอบตอมโสโคร ของศกระปรงโสมงของสาสรไม่ต่อคือธรรมเป็นของสาสไม่มีคําว่าศกระปรงขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วแต่เรื่องของกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เสกสรรขึ้นมาปิดอืมตาบุหรุตาฟังเอาไว้ว่าเป็นของสวยของงานเป็นของกีรังถาวรเอาปัญญาอย่างลงไปให้เห็นชัดเจนดูเข้าไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกท่อนอวัยวะทุกส่วน ตับตายใส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็นอยู่นี้มีอะไรเป็นที่พึงปรารถนาทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทั่วโลกดินแดบกบสงสัยที่ตรงไหนยึดที่ตรงไหนว่าเป็นของสวยของงามนอกจากนั้นัพิจารณาให้มันตายมันเน่าแพ้ไปหมดทั้งล่างนี่พองขึ้นไปแตกระเบิดออกไปถึงไหนอยู่ได้เมื่อไหร่คนมีจมูกอยู่ไม่ได้แตกคือคือไปเลยนั่นหรือของสวยของงามคนแตกคือนั่นหรือเห็นนัยเห็นชัดเลย มันไปเสกไปที่ไหนกิเลสมันสวยที่ตรงไหนคนแตกหือหือนั่นมแม้แต่ไม่ตายนี่เพียงลมมันผ่านออกมาทันนั้นมันก็จะแตกกันแล้วเนี่ยวาง่ายยุ่งไปหมดเลยยัมงมาเชื่อกิ เ, เลสอยู่หรอว่ามันสวยมันแล้วเอาล่วนจ น, นถึงเวลาตายมันเน่ามันพองแตกก็จัดกระจายลงไปแรงกาหมากินถ้าไม่มีคนรักษา มแมลงวันนี้เต็มโล ก, กธาตุมานี่หมดต้อมึงึงึงึดูได้ไหมนั่นหลือของสวยของงามอจากนั้นก็สลายลงไปสลายลงไปจนกลายไปเป็นธาตุดินดินตามเดิมส่วนน้ําก็ไปเป็นน้ําตามเดิมส่วนธาตุไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมธาตุลมเป็นลมตามเดิมไหนสัตว์บุคคลสวยงามอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟนั่นเหถอ ดินก็เป็นดินสวยงามที่ไหนน้ําเป็นน้ําสวยงามที่ไหนเป็นสัตว์เป็นมกุลที่ไหนลมเป็นลมไฟเป็นไฟเป็นสัตว์เป็นโมกุลเป็นของสวยของงามที่ไหนดูให้ถึงสภาพความจริงของมันด้วยหลักธรรมคือปัญญาเป็นต้นสิถ้าอยากจะเห็นของกริงนี่จิตมันมาพัวมาพันมาติดมาคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสมันแทรกกิเลสมันหลอกให้จิตไปหลงแล้วก็ยึดอ่ยึดมั่นถือมั่น แตตะปูไว้ ย, ยังไม่ดีเดนียวแน่นยิ่งกว่า อ, อุปทานความมั่นถือมั่นในทาาในขันคือท่าสี่ดินน้ำห น, นึ่งฝันมาว่าเป็นตัวเป็นของตัวให้กิเลสมันหลอกมากี่กลับกี่คันแล้วยังไม่เบื่อยังไม่อิ่มไม่พอหรือเขากินข้าวหนึงจากวันอิ่มพอทาไมเรากับอารมณ์ที่กิเลสหลอกลวงนี้จึงไม่เห็นดีวันเพียงพอกันทัศน์ มีแต่ไม่เอี่ยมเรื่อยกินเท่าไรไม่หายยากนอนมากไม่รู้ตื่นนอนมากก็คือความรุ่มความหลงมรมนายนั่นเองไม่รู้วันไหนจะตื่นมันไม่ตื่นถ้าไม่เอาสติปัญญาปลุกเข้าไปกินหลายกินหลายมหายากันต์ตามโบราณกินเท่าไรมันยิ่งหิวยิ่งหงอยคิดไปตามอารมณ์ของกิเลสท่าไรายยิ่งหิวยิ่งหงอยไม่มีคําว่าอิ่มพอความอิ่มพอมีอยู่เพียงทางด้านธรรมะเท่านั้นกิเลสไม่เคย ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความเหนื่อยไม่ว่าราคาตัญหาประเภทใดๆก็ตามครับเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจะไม่ให้มีความอิ่มพอแก่สัตว์เลยจะกินจะดื่มจะอะไรก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งกังวนกัวนกวงวลเติมกระทั่งวันตายก็ไม่มีความอิ่มพอรเรายังจะหลงเพลินอยู่กับควา ม, มหวิวโหยซึ่งเป็นกองทุกนี่อยู่เลยเราหาความอิ่มพอ ความอินพออยู่กับธรรมแยกแยกให้ได้ในส่วนนี้เนี่ยถือเป็นสนามรบเอาร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิแกนณาให้เห็นทั้งอสุภะอสุทังข้ามันประจักษ์ใจปูดทุเรื่องความแตกความสลายลงไปก็ให้มันเห็นชัดภายในปัญญาของเราและจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นไปไหนเมื่อรูเห็นตามเป็นจริงแล้วต้องถอยตัวเข้ามาเท่านั้นจิตนี้พร้อมที่จะ ปล่อยวางอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้จะปล่อยวางได้ยังไงถูกกิเลสปัญหาสัตว์มันบีบบังคับให้ยึดให้ถือไปตามความรุ่มหลงอันเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งมันสลับซับซ้อนมากเรื่องของกิเลสนี้พิจารณาให้เห็นชัดเจนลงไปนี่คือการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเรื่องกิเลสตัญหาอันมันเสียดแทงอยู่ภ า, ายจในจิตใจหรือทิ่มแทงจิตใจเราตั้งเรื่อยมาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นต้นเหตุ รูปนอกรูปในมันเหมือนกันเสียงนอกเสียงในเหมือนกันเป็นลมเป็งนงั้นตื่นมันอะไรตื่นลมเสียงหญิงเสียงชายมีแต่เสียงลมเท่านั้นออกจากปากเสียงลมตื่นไปละไตื่นลมนี่คือการพิจารณาขอาจงกระทั่งแตกกระจายหายห่วงทุกอย่างพิจารณาที่คลายนี้ถือเป็นงานเป็นการพิจารณาแล้วพิจารณาเล่า จนกระทั่งอิม่มถ้าลงเป็นธรรมแล้วอิม่มเรื่องเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วไม่มีวันอิม่มพิจนาค่ายควรปัทลาก็ยิ่งติดยิ่งพันยิ่งเพิ่มลงไหลไปเรื่อยๆหนักเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วมีความอิม่มนี่เราพิจารณาส่วนร่างกายให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้จิตต้องอิม่มอิ่มตัว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาการพิจารณาอย่างที่เคยพิจารณามานั้นก็ดิพิจารณาป ะ, อะไอ ร, รู้หมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วพิจารณาหาอไอ ร, รู้เองเหมือนกับเรารับทานอาหารจะมีรลอร่อยขนาดไหนก็ตามเถอดถ้าลงธาตขันได้เพียงพอกับความต้องการแล้วเป็นไม่ดื่มอีกไม่รับอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเาพิจารณาพอแล้วก็ปล่อยวางอิมตัว เป็นขั้นเป็นขั้นไปนี่อาการของกิจคิดไในเรื่องใดเมื่อได้ปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นเรื่องธาตุเรื่องขันท้องตนจนกระทั่งถึงกับปล่อยวางกันได้ผ่านมันไปได้แล้วสิ่งใดที่จะนอกเหนือปัญญาไปมีเหลือไม่มีพิจารณาจนกระทั่งถึงรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยลําดับลำดัเพราะสติปัญญานี้พร้อมที่จะรู้ พร้มที่จพิจารณาอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, งทุกอันที่ควรแก่การพยายาิจารณาแล้วก็รู้ไปโดยลําดับกกาหดับแม้ที่สุดมันก็มาเห็นตั้งแตนเรื่องอาการของจิตเท่านั้นเป็นตัวหลอกลวงถูกตดดัดออกด้วยปัญญาแล้วจะไปติดอะไรก็รู้เสียรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็รู้เสียประมวลเข้ามาสู่สภาพเดียวกันกับตนนี้ ได้เรียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วก็จะไปติดที่ไหนไม่ติดนี่เพียงเท่านี้จิตก็สบายแล้วอเมื่อจิตสบายแล้วเป็นยังไงคุณค่าขอางธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายเริ่มเห็นขึ้นมาโดยลําดับตำดาลแล้ว น, นี่ความเพียรไม่ต้องบอกนี่ค่อยหมุนตัวไปโดยลําดับตำดานี่คือความเห็นคุณค่าของธรรมผลก็ประจักษ์อยู่ภายในาใจ ว่าเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความเบาบางภายในจิตใจทีจ่เละดุลโลไปมากน้อยเท่าไรจงจิตจงดีดตัวขึ้นมาละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาดีดตัวขึ้นมาสุขก็เบาอเบาไปโดยลำดับละเอียดเข้าไปโดยลํำดับยิ่งเห็นโทษของจิเลกนั่นเห็นจิเล็กเห็นอย่างนั้นแยกแยกจนเห็นเรื่องของมันถ้าไม่เห็นแล้วยังไงก็ไปไม่รอดแล้วไปไม่พ้นจมอยู่กับมันตลอดไป นี่แนหะทางดำเนินเท่าความพ้ทุกข์ทุกอยู่ที่ตรงไหนทุก็อยู่ที่ใจตัวกิเลสปักเสียบเอาไว้อย่างแน่นหนามั่นคงหรือปิดบางหุ้มห่อเอาไว้จนมองหาอะไรไม่เจอขึ้นชั่วความจริงจะเห็นแต่ของปลอมๆเท้านั้นว่าเข้าใจว่าเป็นของจริงจึงติดมั่นพัวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างแต่ความทุกข์ความทรมานให้แก่ตนจนหาทางออกไม่ได้เมื่อสติปัญญาได้ พี่คายออกลูโดยลําดับลําดาแล้วย่อมสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายค่อยหลุดลอยออกไปหลุดลอยอไปจิตก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาพร้อมทำความเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆและเห็นคุณค่าแห่งธรรมไปโดยลําดับในขณะเดียวกันแนวความเพียรเก้าที่นี่แล้วความเพียรเก้าแล้วความเพียรกล้าสละตายไปได้เลยถ้าเราโงยังจะ อีกค้างกับกิเลสตัวใดกิเลสยังจะมาบีบบังคับเราอยู่ได้ตัวใดเป็นอันว่าไม่ถอยเอาให้ตายกับกันเลยด้วยกันเลยกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นคําว่าแพ้กิเลสนี้จะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นะหนักเข้าหนักเข้าคําว่าแพ้ติดไม่มีนั่นแหละที่นี่ความเพียรคุณค่าของธรรมเด่นคือเดียพานา จ, จิตใจและเทียบกันได้ทุกศสารทุกส่วนคุณค่าของกิเลสมีตรงไหนมีอะไรบ้าง มีเห็นตระกูค่าของธรรมเด่นเด็กในหัวใจที่รถของธรรมกับรถของกิเลสที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาทั้งสองอย่างนี้รถอะไรเป็นยังไงดีเล่อต่างกันอย่างไรบ้างก็เด่นชัดในทางรถของธรรมรสของกิเลสสู้ไม่ได้อเมื่อรถอันนี้ชนะรถกิเลสประเภทใดแล้วรถกิเลสนั้นย่อมหลุดลอยไปหลุดลอยไปรถของธรรมก็แซงหน้าขึ้นด้วยด้วยด้วยนี่แหละข้ามเห็นโทษก็เห็นคุณ เห็นไปพร้อมๆกันอย่างนี้ในวงปฏิบัติของท่านผู้รู้ผู้เห็นท่านรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จนกระทั่งยิเลสหลุดลอยประจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วนั่นแหละที่นี่รสอมาตะธรรมการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เสียเวลามเวลามันพร้อมอยู่ที่จิต ด, ดวงบริสุทธินั้น แ, <c oughs> แม้แต่ยังไม่บริสุทธิ์จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ใดที่เป็นส่วนละเอียดกับกิเลสประเภทใดที่เป็นส่วนละเอียดมันก็รู้ว่าพยายามตัดพยายามฝันพยายามแก้พยายามถอดถอนด้วยสติปัญญาไม่ลดละความภาคเพียนจนกระทั่งแก้ได้ไปโดยลาดับลาดาแก้ขาดจากนั้นแล้วขาดตรงนี้แล้วรู้อยู่ภายในจิตนี่ จนกระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติอฮะกิเลสที่เคยพัวพันมาพาให้เกิดให้ตายรู้ได้ชัดนี่หมดแล้วที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเท่านั้นหมดปัญหาโดยประ ก, การทั้งปวงแล้ว <c oughs> นั่นเพราะไม่มีเงื่อนต่อนี่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินธาตุขันที่อยู่ด้วยกันนี่ก็สักแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่ขาดวักขาดตอนกันแล้วในความสืบต่อ ระหว่างกิตกับขันเหล่านี้ระหว่างกิจกับผู้เสียงกลิ่นนสดระหว่างกิตกับสภาวธรรมทั้งหลายได้ขาด จ, จากกันโดยสิ้นเชิงเห็นประจับภายในใจแล้วเหลือแต่ความไม่สุขเรื่องล้วนความไม่ไสุขเรืองล้วนนี้เหมือนอะไรอืเหมือนรูปเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนนสดเหมือนเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนธาตุเหมือนขันนี้ไหมไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นอันเดียวกันนั่นเหตุที่พายเกิดเจ็บเจบตายเพราะอะไรมันก็รู้ได้ชาดเพราะวิชาปัจจะยาสร้างฆาลา มันแทรกมันฝังอยู่ภายในจิตนี่ได้ถูกทําลายแตกกระจายไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเหลือลเหลือแต่ความมืดสนอยู่เบล้วปัญหาขอางการเกิดตายดับสนิทไม่มีเหลือแล้วภายในใจเหลือตั้งแต่ดิบากของกิเลสผลของกิเลสที่เป็นธาตุเป็นขันอยู่ในปัจจุบันก็รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นถ้าอยู่พาไปพาหลับพานอนพากินพาขับผ้าถ่ายไปอย่างนั้น แล้วก็ไม่เกิดโทษเกิดภัยต่อจิตใจอีกเพราะไปขาดจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องเสกสรรปัญญอไม่ต้องระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภัยต่อใจอีกต่อไปกิเลสประเภทต่างๆจะเป็นภัยอีกต่อไปไม่มีเพราะกิเลสตัวสําคัญซึ่งอยู่ภายในจิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วกิเลส จ, จะมาจากไหนเหาะลอยมาจากไหนที่เข้ามาแทรกจิตใจได้อีกมันไม่มีกิเลสตัวใด <N> <line> นอกจากกิเลสที่มันเป็นสนิมเกิดอยู่กับเห ล, ล็กแล้วกัดเหล็กให้สึกกร่อนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปตามเท่านั้นกิเลสตัวพวกนีต้ตัวนี้เท่านั้นคื่อวิชาปฏิญานเมื่อไหนทำลายลงไปซะจนแหลกละเอียดแล้วทําไมจะไม่รู้ธรรมะเป็นแบบเดียวกันเป็นธรรมแท่งเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนัทรงสอนอย่างนั้นและประกาศจังวัะมาได้สองพันห้าร้อกว่าปีนี้แล้วในพระพุทธเจ้าปัจจุบันของเรา สันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองในความจริงทั้งหลายนะปั จ, จตังเวดิตาโบวินยูผู้รู้จะรู้โดยจาเพาะตนเท่านั้นผู้รู้ก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหลงจะรู้จำเพาะตนนี่นหละการทำลายวัฏจักรวัตจิตทำลายที่ตรงนี้เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงโลกจะว่ามีก็ว่ามีไม่ว่าก็ไม่ มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตหมดปัญหาไปแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วคือไม่เป็นพุกเรื่องติดต่อพัวพันกันเหมือนอย่างแต่ก่อนมาจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วรู้อยู่ชัดๆบริสุทธิ์ตั้งนั้นสูญไปไหนถ้าสูญมาบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่เห็นชัดๆ น, นี่เมื่อกิเลสจอมหลอกลวงมันหมดไปแล้วมันก็สนุกรู้สนุกเห็นละสิเนี่ย หูประจกักษ์ทีนี่ไม่มีอะไรจะมามัวมาหมองมาปิดมากั้นให้เป็นรุมรุมดอนดอนหรือจนกระทั่งถึง ม, มืดมิดปิดตาเหมือนแต่ก่อนเปิดออกหมดมและเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสคือความมืดบอดตัวกิเลสแท้ๆมันปิดหัวใจนิวไวไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมันก็ปิดไว้หมดไม่หเห็นนี่พอกิเลสที่ทลายไปแล้วสิ่งที่ควรรู้มันต้องรู้สิงที่ควรเห็นก็ต้องเห็นเป็นนิสัยของใจล้วนๆแล้ว ต้องรู้ไปโดยลำดับลำดาเนี่ยโลกับวีถูกเมืม่อทำลายกำแพงอันหนานแน่นออกจากใจแล้วตาใจสว่างประจ่า์แจ้งมองทะลุ ป, ปูป่วงไปหม้ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราอย่านำความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาบีบคั้นหัวใจ จะไปแม่รอดนักปฏิบัติให้เลงถึงพุทธังสนังกระฉามีเสมอพุทธังสนังกรฉามีไม่ใช่ล้างมือเปิดทำมังสนังกรฉามีไม่ได้เกิดขึ้นจากการล้างมือเปิดสังฆังสนังกฉามิท่านแทบตายด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาล้างมือเปิดมมันก็เก่งกว่าครูไปแล้ที่ถ้าเก่งกว่าครูแล้วก็ต้องเร็วลงโดยลําดับลำดาให้เก่งในทางความภาคความเพียรตามเดินตามครูนั่นแหละ ไอ้ควันตุ๋งใและไอ้โลกกรถาดนี่นี่ต่เกิดกับตายเลยเกิดกับตายหาหาบหามของพุกไปพบน้อยพบใหญ่พบมนุษย์เรายังดียังเป็นอิสระเสดีแม้แต่พบของสัตว์เรามองดูแล้วมันน่าอยู่น่าอาศัยที่ไหนอมิได้บีบบีดสีไฟกัดฉีกกันกินดูซิตัวไหนอำนาจมากไล่กัดไล่ฉีกกันสัตว์กับสัตว์กินสัตว์ทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์ เรายังดีแล้วที่นี้พบละเอียดยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงจะเป็นยังไงมันผิดอะไรกับมหารตะทุกข์อยู่ในเรือนจำมันไม่ได้ผิดอะไรการหัวเราะก็เหมือนนักโทษหัวเราะในเรือนจำนั่นเองถึงจะขับรำทำเพลงก็นักโทษขับรำทำเพลงในเรือนจำมันเอาดีกรีมาจากไหนเอาความสุกความสบายดื้องมาจากไหนอห่อ๋อเนี่ยขับกล่อม อยู่กับวิมุตตินี่ใช่ทําวิมุตต์ได้กล่อมดูดูที่เป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างกับกิเลสมันเ พ, เพลงกล่อมของกิเลสกับเพลงกล่อมของวิมุตติธรรมต่างกันยังไงเราให้มันเห็นที่นักปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นที่จะเห็นความจริงทั้งหลายที่กล่าวมานนอกนั้นไม่มีทา ง, งเอาให้จริงให้จริงคุณค่าราคาของเรานี่มากมีบุญวาสนาแล้วจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยังได้มาบวชเป็นพระ ได้ปฤปฏิบัติสแสวงหาครูหาอาจารย์ประปฏิบัติเป็นปัติกํำลังความสามารถอย่าให้แค่คาดจากทำที่กล่าวนี้เอาให้เป็นมหาสมบัติครองหัวใจเราเราครองมหาสมบัตินั้นจะเป็นที่ตายใจจริงเรื่องอดีตอนาคตสถานที่อะไรต่างๆตัดหมดขาดสะบั้นไปหมดเพราะสิ่งวันนี้เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของโลกโลกธรรมชาติมันไม่ใช่โลกท่านจึงเรียกว่าโลกจะละทำไปว่าทำเหนือโลกไม่เหมือนโลกจึงเรียกว่าเหนือโลกจะอะไรไปเหมือนการเรื่องทำข้อเห็นม่าสมควรพอยุติเรื่นะี้